เพราะคนไข้ส่วนมากก็ต้องการรักษาทางยามากกว่าแต่สำหรับสัตว์จะทดลองเป็นนานสักเท่าใดโดยไม่ให้การรักษาทางยาเลยก็ย่อมทำได้ความแตกต่างระหว่างการทดลองกับคนและสัตว์อีกประการหนึ่งก็คือเมื่อใดที่ประสบความสำเร็จคือมีไฟสีเหลืองปรากฏขึ้นต้องมีการตกรางวัลเป็นอาหารของโปรดให้แก่สัตว์เป็นประจา